เมื่อจริงหนอครั้นถึงรัชกาลที่หคือสมเด็จพระประมินท ร, รมหาจุฬาลงกรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเถลิงราชัยยะสุริยสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ครอบครองสยามรัฐอาณาจักรในเดือน12แรม12ค่ำวันพุธปีมโรงโศกนั้นพึงเจริญพระชนมายุได้15ปีเจเดือน9วัน สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านจุดเทียนเล่มใหญ่เข้าไปในบ้านสมเด็จพระยามหาสีสุริยวงศ์ช่วงคือสมเด็จพระประศาส์ผู้สมเร็จราชการแผ่นดินสมเด็จพระพุทธจารย์โตเอาคัมภีร์หนีรักแร้แตลัปัดทำหางเสือจุดเทียนเล่มใหญ่เข้าไปที่บ้านสมเด็จพระประศาสศในเวลากลางวันแสกเดินรอบบ้านสมเด็จพระประศาสศที่คลองศาลสมเด็จพระประศาสศ รัฒนาขึ้นบนหอนั่งแล้วกล่าวว่าโยมไม่สู้มือนักดอกเจ้าคุณอันหนึ่งโยมนี้มีใจแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาแน่นอนมั่นคงเสมออันหนึ่งโยมทนุบำรุงแผ่นดินโดยเที่ยงและตั้งใจพระคับพระคองสนองพระเดชพระคุณโดยตรงโดยสุจริตคิดถึงชาติและศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งตรงอยู่เป็นนิสขอเจ้าคุณอย่าปริวิตก ให้ยิ่งกว่าเหตุนิมนต์กลับได้หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้ต้นเหตุก็คือสมเด็จโตท่านเกรงว่าผู้สมเร็จราชการนั้นจะทำการยึดอำนาจและผลัดแผ่นดินจึงไปตักเตือนด้วยปริศนาธรรมนะครับ